เขาทำคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถสอน ให้ผู้ปฏิบัติปุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุปพระธรรมมันประเสริฐแล้วนำเอาธรรมมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สว์โลก สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ก็จะต้องตกอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติไม่มีวันที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยแต่พอมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็สามารถทำให้จิตใจของตนหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างราบคาบได้อย่างถาวรพระพุทธศาสนาจึงเป็น ศาสนาที่มีคุณมีประโยชน์ต่อสัตว์โลกที่สุดเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกนี้จะยังจะต้องอยู่ในวัตตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ไปเรื่อยๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด การที่เรามีพระพุทธศาสนาอยู่มาได้จนถึงวันนี้ก็ประมาณ 2,500 กว่าปี 2,600 กว่าปีแล้วก็เป็นเพราะว่าชาวพุทธเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าสรงมอบหมายมาให้กันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรก ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในวานาสาระาบูชาก็มีการทาหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้กระทำกันเพื่อที่จะทาประโยชน์ให้กับตัวเราเองต่อผู้ปฏิบัติเองและทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปพอจะ จะช่วยรักษาพระธรรมคาสั่งคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปได้เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าชาวพุทธเราได้ทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้ซึ่งก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกัน คือข้อที่หนึ่งศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สองเมื่อได้ศึกษาได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติ mm hmm. พอ ได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ขั้นที่สามคือได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปตามขั้นตามลำดับมีแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันของการกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจที่เรียกว่ามัคสีผลสีได้แก่ พระโสดาบันขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันต์แบ่งไว้เป็นสี่ขั้นแบ่งไว้เป็ น, เ ป, นเป็นคู่สี่คู่ด้วยกันเพราะว่าผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีมรคมรคเป็นเหตุผลถึงจะปรากฏคือการดับทุกข์ของแต่ละขั้นก็จะปรากฏขึ้นมามรค ก, ก็คือการปฏิบัติ เหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมานั่นเองก็มีแบ่งไว้เป็นสี่คู่ด้วยกันมัก4สีผลสีนิพพานหนึ่งพอได้ขั้นที่สี่ได้คู่ที่สี่คือได้บรรลุพระอรหัสตผลแล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานต่อไปได้นิพพานก็คือที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์อย่างถาวรไม่มีความทุกข์ หลงเหลืออยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติอีกต่อไปไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากการศึกษาขั้นที่หนึ่งศึกษาขั้นที่สองปฏิบัติขั้นที่สาม บ, บรรลุผลของการปฏิบัติ เมื่อได้บรรลุผลแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็จะมีความสามารถที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นให้ได้หลุดพ้นเหมือนกับที่ตนเองได้หลุดพ้นต่อไปได้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของการกระทำหน้าที่ทั้งสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็ส่งศึกษาทรงบ อ, อกบวช แล้วก็ไปศึกษากับผ้าอาจารย์ต่างๆที่สอนวิธีดับความทุกข์ทางใจแต่ผ้าอาจารย์ต่างๆที่สอนวิธีดับความทุกข์ทางใจนี้สามารถสอนได้เพียงในระดับดับความทุกข์ทางใจแบบชั่วคราวแบบเวลาเข้าสมาธิเข้าฌานเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิออกจากฌานมา ความทุกข์ที่ถูกชานกดเอาไว้ถูกสมาธิกดเอาไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ความทุกข์ที่โผล่ขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่ไม่ได้เข้าฌานนี้ให้มันหายไปได้อย่างไรพระ อ, องค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองลองผิดลองถูกอยู่สักพักหนึ่ง ในที่สุดก็ได้ส่งค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและทั้งในขณะที่ออกจากสมาธิมาเรียกว่าเป็นทางสายกลางที่มีองค์องค์ประกอบอยู่แปดองค์ด้วยกันคือมรรคแปดมรรคแปดก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรสัมมา กามันโตสมมาวาจาสมมาชีวสสมมาสติสมมาสมาธิสมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบสมมาสังกปความคิดที่ถูกต้องความคิดชอบสมมากรรมันโตการกระทำทางกายที่ถูกต้องที่ชอบสมมาวาจาการพูดด้วยวาจาที่ชอบ สัมมาชีวะชีวะการเลี้ยงทีพที่ชอบที่ถูกต้องสัมมาวายามโความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิการตั้งมั่นอยู่ในความสงบที่ถูกต้องอันนี้เป็นทางที่พระเจ้าได้ส่งคนพบ ทรงเรียกว่าทางสายกลางเพราะอยู่ระหว่างวิธีของการดับความทุกข์ที่สุดตรงอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็วิธีดับทุกข์ด้วยการไปหาความสุขมากรบความทุกข์ที่เรียกว่าการใช้กรรมมาสุขหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆเช่นเวลาไม่สบายใจทุกข์ใจไม่รู้จะทาให ความทุกข์ใจนี่หายไปอย่างไรก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปกินไปดื่มกันไปฉลองไปเลี่ยงอะไรกันก็พอที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีในใจนั้นหายไปชั่วคราวแต่พอหลังจากที่ได้ไปเสพการ ม, มาแล้วความสุขที่ได้จากการเสพการก็จะหายไปหมดไปความทุกข์ที่ คอยมีอยู่ในใจก็จะกลับคืนมาอีกเี่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายมันก็จะกลับมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยเพียงแต่คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะใช้ วิธีการมาสุขแบบไหนก็ตามจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆสร้างบ้านกี่หลังซื้อบ้านกี่หลังซื้อรถกี่คันอะไรก็แล้วแต่ของเหล่านี้มันไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ัดบความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้พระพุทธเจ้าก็เคยทรงใช้วิธีนี้ ในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนที่อยู่ในพระราชวังก็มีแต่เรื่องของการเสริมกตลอดเวลาเพื่อให้จิตใจมีความสุขไม่ให้มีความทุกข์แล้วก็ป้องกันไม่ให้สิ่งที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์นั้นเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือภายในวังนี้พระราชบิดา ทรงห้ามไม่ให้คนแก่เข้ามาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาคนตายเข้ามาในวังไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเพราะอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขอยู่กับการคลองราดไปนานๆเพราะตามพยากรณ์ทำนายของโหราจารย์ตอนที่ทรงประสูตรมาใหม่ๆ หัราชการทั้งหลายก็บอกว่าถ้าอยู่ครองราชก็จะเป็นพระมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบร ม, มศาสดาเจ้าชายสุดโชทนะพระราชบดาจึงไม่อยากให้เจ้าชายออกบวชวิธีที่จะทำให้เจ้าชายออกบวชก็คือเจ้าชายต้องมีความทุกข์ใจ ต้องไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วถึงจะเห็นความทุกข์ใจแล้วก็จะเห็นว่าการใช้ความสุขจากการเสพกามนี้ไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้<ม>ก็เลยส่งห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปข้างนอกวังและไม่ให้ของไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายที่อยู่นอกวัง เข้ามาอยู่ในวังให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นแต่เมื่อทรงถูกห้ามก็ทำให้เกิดมีความอยากจะออกไปอยากจะรู้ว่าทำไมต้องห้ามทำไมข้างนอกมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรถึงต้องห้ามไม่ให้ออกไปนอกวังก็เลยเล่นลอดหนีออกไปเที่ยวกับมหาเล็ก พอไปก็ไปเจอคนแก่เจอคนเจ็บเจอคนตายขึ้นมาทันทีเห็นคนแก่นอนอยู่เดินมาหลังค่อมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแก่ถามมหาเล็วกว่าเป็นใครมหาเล็กก็ตอบว่าเป็นคนเหมือนเรานี่แหละเหมือนพระองค์นี่แหละแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นร่างกายแก่ชรลาลงไปหลังก็จะค่อมลงไปเรื่อย ต่อไปพระ อ, องค์ก็จะต้องเป็นคนแก่เช่นเดียวกันเพียงพอได้รู้ว่าต่อไปตัวนึงจะต้องเป็นคนแก่แบบนี้บ้างก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีแต่ก็เดินต่อไปก็ไปเจอคนเจ็บนอนอยู่หน้าบ้านร้องโอดควรวญครางด้วยความทุกทรมานก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรถึงต้องมาน้องโอดควรวญครางทุกทรมาน ก็บอกว่าเขาเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยคนทุกคนที่เกิดมาแม้แต่พระ อ, องค์เองก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ช้าก็เร็วส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นตอนที่มีอายุมากแล้วตอนที่เป็นคนแก่ต่อไปพระ อ, องค์ก็จะต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้เช่นเดียวกันพอรู้ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีก แล้วพอเดินต่อไปก็เห็นเขาบวนแห่ศพมาก็ถามว่าเขาแห่อะไรกันเขาก็บอกว่าแห่คนตายไปทําชาปนากิจไปเผาร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันวันหนึ่งก็ต้องตายไม่มีลมหายใจร่างกายก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวทาอะไรได้อีกต่อไปเก็บไว้ก็จะสง กลิ่นเน่าเหม็น응ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาไปทําชาปนกิจ응พอทรงทราบว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องตายก็เลยทำให้พระองค์มีความทุกข์อย่างมากเลยเดินจับเขาวางังระหว่างทางก็ไปเห็นนักบวชขึ้นมาเห็นว่าชายคนนี้ทำไมแต่งตัวไม่เหมือนคนทั่วไป K ก็ได้ทราบว่าเขาเป็นนักบวช ผู้ที่ไปแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละพอพระองค์ได้ทรงทราบว่ามีคนที่มีความหวังที่จะค้นหาวิธีดับความทุกข์ทางใจได้ก็เลยมีความรู้สึกดีใจขึ้นว่าอย่างน้อยก็มีทางทางออกจากความทุกข์ได้ แล้วก็พอถึงเวลาที่จะต้องออกจากวังคือคืนที่พระมเหสีคลอดราชโอรสขึ้นมาออกมาพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงคือรูปนี้มัดจิตใจเอาไว้ไม่ให้ออกไปจากวังไม่ให้ไปบวชถ้าจะไปบวชก็ต้องไปตอนนี้และต้องไม่ไปดูหน้าลูกด้วย ถ้าไปดูหน้าลูกก็จะเกิดความผูกพันขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่ต้องบอกใครด้วยเพราะถ้าบอกใครก็จะต้องถูกเขาห้ามอย่างแน่นอนก็เลยต้องหนีออกบวชหนีไปตอนย่ำตอนตอนวิการตอนดึกให้มหาเล็กไปส่งที่ที่ชายแดนขี่ม้าไปที่ชายแดนพอถึงชายแดนก็ลง แล้วก็เดินต่อไปเดินไปหาสัมนักนักบวชไปบวชเป็นพระต่อไปหลังจากที่บวชก็ได้ศึกษาได้นั่งเรียนจนได้เข้าฌานได้เข้าสมาธิได้รักษาศีลริสุดอยู่แบบนักบวชฝึกสติฝึกนั่งสมาธิจนสามารถทําจิตให้รวมเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ เวลาเข้าฌานความทุกข์ใจที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปชั่วคราวความคิดต่างๆก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็เลยหายไปด้วย mm. ก็เลยเห็นวิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจได้แต่เพียงแต่เป็นวิธีชั่วคราวเพราะไม่สามารถอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานได้ตลอดเวลา จะต้องออกมาทําภารกิจเกี่ยวกับร่างกายต่อไปเวลาออกมาพอเห็นร่างกายคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายความทุกข์ใจไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็พยายามไปศึกษาไปหาอาจารย์ต่างๆอาจารย์ต่างๆที่เก่งในสมัยนั้นก็รู้วิธีดับความทุกข์ทางใจด้วยการเข้าสมาธิท่นั้น แต่เวลาออกจากสมาธินี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เพราะไม่รู้วิธีว่าทำอย่างไรมเมื่อไม่มีใครรู้วิธีพระองค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองลองผิดลองถูกเห็นเขาใช้วิธีทรมานร่างกายก็ดับความทุกข์ทางใจ<ม>ให้ร่างกายเจ็บปวดทรมานมากๆแล้วความทุกข์ทางใจจะหายไป<ม>พระองค์ก็ลองอดภกายอาหาร อยู่สี่สิบเก้าวันด้วยกันเพื่อที่จะใช้ความทุกข์ทรมานทางร่างกายนี้มาดับความทุกข์ทางใจก็ดับไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับการใช้ความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์ในใจก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะทุกข์ทางใจกับทุกข์ทางกายนี้เป็นคนละคนกันคนละเรื่องกัน ท, ท, ทุกทุกทุกทางกายไม่สามารถมาดับความทุกขทางใจได้ความสุขทางกายก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้พองก็เลยทรงค้นต่อไปก็คิดว่าต้องกลับมาดับความทุกข์ทางใจด้วยใจนี่แหละหาสาเหตุว่าอะไรที่ทําให้ใจทุกก็พิจารณาก็ทรงพบว่า เวลาที่ใจเข้าไปในสมาธิใจไม่มีความคิดใจไม่มีความอยากความทุกข์ก็เลยหายไปเวลาใจออกมาจากสมาธิพอมาคิดแล้วก็พอคิดแล้วก็มีความอยากตามมาพอคิดถึงร่างกายคิดถึงความแก่ของร่างกายก็เกิดความอยากไม่แก่ขึ้นมาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตามมา คิดถึงความตายก็เกิดความอยากไม่ตายตามมาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมาจากอะไรก็มาจากการที่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆนั่นเองทางตาหูจมูกนิ้วกายคือกามาตัญหาเนี่มีกามาตัญหาก็ต้องมีร่างกาย เสพได้ถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถเสพลูกเสียงกลิ่นรสผลชาพะต่างๆได้ฉนั้นพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่าต้องหยุดความอยากเท่านั้นเวลาออกมาจากสมาธิต้องหยุดความอยากให้ได้แล้วจะทํำยังไงถึงจะทาให้ความอยากนี้หยุดได้ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่ความอยากต้องการ เช่นอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเพื่อให้ความสุขก็ทรงพิจารณาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนถาวรให้ความสุขได้เป็นพักๆไปให้ความสุขได้ในขณะที่เสพเวลาไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวเราก็ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ท่องเที่ยวนี้ เวลาไปดื่มไปรับประทานอะไรเราก็เสืร่รูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มของอาหารที่เรารับประทานกันเวลาเราไปดูมหัรสบัทิงเราก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าที่เข้ามาทางตาทางหูกันมันก็เลยทำให้เกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์หายไปชั่วคราวแต่พอหยุดเสพปับ๊บพอกลับมาบ้าน ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปดูมหอลศพบันเทิงอยากการไปดื่มไปรับประทานอะไรก็หายไปเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็กลับคืนมาทุกครั้งไปเราเลต้องต้องสอนให้ใจมองให้เห็นว่าการไปมีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นลดนิ ไม่ใช่เป็นการให้ความสุขไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์จะจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเมื่อได้เสพแล้วสิ่งนั้นนี้จะทำให้ติดจะต้องอาศัยมันมาให้ให้ให้เสพอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแต่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือนี้ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนถาวรต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ความสามารถที่จะใช้ร่างกายในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะไม่หมดเพราะความอยากที่จะเสพมันยังมีอยู่นั่นเองต้องพิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเป็นอนิจจังเป็นของชั่วเก่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดไป จะสั่งให้มันยั่งยืนถาวรก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของชั่วคราว<ม>ร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสพก็เหมือนกันก็เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปวิธี<ม>ที่ทำให้ใจไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ไม่ทุกกับการอยากไปเสพรูปเสียงกินลดต่างๆก็คือต้องหยุดความอยาก หยุดความอยากเพราะเห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์ <S <S <'d> นั่นเองเห็นน <'d> ั้นต้องเห็นนั้นนิจังทุกข์ขังอนัตตาของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <S <S <'d> พอทงคนพบอลีย <S <S <'d> <of judgment> สัจ ส, สีว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากเสพการอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆก็ต้องหยุดความอยากอันนี้การจะหยุดความอยากนี้ก็ต <'d> ้องเห็นความจริง ของร่างกายว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้าม ม, มมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดมันหยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ยั่งยืนถาวรก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวพอเห็นด้วยปัญญาเห็นอริยสัจสีเห็นตใจลักก็ทําให้ไม่มีความอยากจะได้อะไรต่อไป ก็มีแต่การไปได้ความทุกข์มานั่นเองอเพอหยุดความอยากที่มีในใจได้หมดด้วยปัญญาด้วยการเห็นอริยสัจสีด้วยการเห็นใจรัสสกร ก, ก็ทําให้ใจที่เคยทุกข์อยู่กับเรื่องราวต่างๆนี้หายไปหมดเลยหายไปแบบเหมือนกับคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นไข้ปวดทั่วั่วไปตามร่างกายมีความเจ็บปวดในร่างกายตามตัวต่างๆ พอได้กินยาที่ถูกยาที่ถูกต้องกับโรคนะก็ทําให้โรคหายไปความเจ็บความปวดไข้อะไรต่างๆที่มีในร่างกายหายไปหมดกลับมาเป็นคนปกติทันทีใจก็แบบเหมือนกับร่างกายเวลาใจทุกข์ทรมานก็เหมือนกับเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดเวลาที่ร่างกายได้กินยาจนทําให้ ร่างกายหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหมือนใจก็เหมือนกันพอได้ธรรมะได้ได้ปัญญาได้สมาธิมาสนับสนุนในการใช้ปัญญาหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้แล้วความทุกข์ที่เคยมีในใจก็จะหายไปหมดเลยยังมีความมั่นใจร0อยเปอร์เซนตว่านี่แหละวิธีที่จะทำให้ความทุกข์หมดสิ้นไปจากใจได้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการศึกษาล่ำเรียนเพียงอย่างเดียวการล่ำเรียนคือศึกษาทฤษฎีว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือไม่จริงต้องไปปฏิบัติถึงจะรู้จริงว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นจริงไหมอาวุจนเจ้าก็ทดลองลองล่าความอยากดูแล้วพอความอยากหายไปความทุกข์ใจที่เคยมีก็าหายไปหมดเลย ท่านก็ บ, บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอารหรันต์พระอารหันต์ก็คือผู้สิ้นกิเลสผู้ปราศจากความทุกข์ใจพร้อมได้ละ ก, กิเลสความโลภความโกรธความหโงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นไปแล้วใจของท่านก็เข้าสู่พระนิพพานทันทีไม่ต้องรอให้เวลาร่างกายตายถึงจะเข้านิพพาน เพราะร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปเข้านิพพานใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปนิพพานจะไปนิพพานได้ต้องได้รับอรหันตผลก่อนได้สามารถกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก่อนพอกิเลสหมดไปจากใจจิตก็เป็นผ้าอารหันต์ขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พอจิตบริสุทธิ์ก็เป็นจิตที่เข้าสู่นิพพาน ท, นทันทีพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานตั้งแต่ ตอนที่ท่านมีพระชนมายุสามสิบห้าปีวันเพ็ญเดือนหกตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพธิ์ท่านได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสติสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยาาสัจสีในความอยากในธรรมทุกขั้นไปทั้นพระโสดาบันพระนสกิาคามีก็มีความอยากเป็นขั้นๆั้นของท่านไป พระอนาคามีก็มีความอยากพระอรหันต์ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็มีความอยากทัา น, นก็ตัดความอยากไปเป็นขั้นๆไปได้เป็นบรรลุทำเป็นขั้นๆไปบรรลุโสดา บ, บรรลุสะกิดาคามีบรรลุอนาคามีบรรลุอาหาราอาหันต์พระอรหันต์พอได้อาหารหันต์แล้วจิตก็นิพพานทันทีจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นจิตที่เป็นเปลี่ยนด้วยบรลมัสุขนิบานังปรมังสุ ข, ขงังนิบานังปาลมังสุ ญ, ญังเป็นจิตที่ว่างจากกิเลสตัณหาทั้งหมดจิตนี้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากอะไรหลงเหนืออยู่ในใจอีกแล้วนี่นี่คือผลที่ครูเจ้าได้ทรงรับหลังจากที่ได้ศึกษาลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนกระทา่งในคนพบมรซีผลสี่นิพพานหนึ่ง เมื่อได้สัมผัสกับผลมรซีผลสีนิพพานอย่งในใจแล้วก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่านี่คือทางสู่การหลุดพ้นถ้าเอาวิธีนี้ไปสอนใครที่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถหลุดพ้นได้เอได้ได้ทํากิจข้อที่หนึ่งคือได้ศึกษาข้อที่สองได้ปฏิบัติ ได้ค้นพบทางสายกลางทางที่ดับความทุกข์ได้ความทุกข์ใจได้ระหว่างทางสุดตรงสองทางคือการใช้ความสุขมาดับความทุกข์ทางใจความใช้ความสุขทางกายมาดับความทุกข์ทางใจใช้ไม่ได้ความใช้ความการใช้ความทุกข์ทางกายทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ ทางทุกทางใจย่ดับได้ด้วยมรรคที่มีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญามรรคที่มีองค์แปดนี้ถ้าย่อลงมาก็เหลือสามข้อศีลศีลก็สัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาชิวสมมาทิคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปร พอได้สองคนพบมัคคือเครื่องมือที่จะเอาไปใช้ในการดับทุกไปหยุดไปละตัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอตัญหาต่างๆถูกละด้วยมัคแปดแล้วรดอด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ยังย่งยืนแบบถาวอ ท, ทันทะีพอใจพระ อ, องค์หลุดพ้นแล้วพระ อ, องค์ก็ทรง อาวิธีที่ได้ทรงทําให้ใจของพระองหลุดพ้นนี้มาสั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปพอสั่งสอนก็ผู้ที่มีความสามารถมีศีลมีสมาธิอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินสัมมาสิติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรจากพระพุทธเจ้าครคือปัญญาก็สามารถนํามาไปปฏิบัติในขณะที่ฟังธรรมได้เลยบรรลุเป็นผ้าหลานขึ้นมาพร้อมกันเลยทั้งห้าลูก ตอนนี้ทงแสดงธรรมปวดพระปัญจวคัคคีทั้งแรกแสดงมรรคแปดทั้งแสดงอรยิยสัจสี่ในธรรมจักกับปวัตนสุรก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาหนึ่งรูปทั้งที่สองแสดงอนัตตลักษณสุร แ, แสดงว่าไม่มีไม่มีอะไรที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอด เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากก็จะต้องทุกข์ใจเพราะจะไม่ส ม, ม, สมความปรารถน า, ถ, าถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเจริญรุ่งเสื่องไปตามเรื่องของมันใจก็ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปไม่ทุกข์กับขันห้าต่อไปใจก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทันที พอพอทรงแสดงปั๊บก็มีผู้ฟังที่มีความพร้อมมีมรรคที่เกือบสมบูรณ์แล้มีมีมรรคอยู่สองส่วนคือมีศีลที่บริสุดมีสมาธิที่ที่นิ่งสงบมีฌานมีอุเบกขาพอได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็พร้อมที่จะบรรลุได้ทันทีเอาปัญญาที่พระเจ้าสอนมาหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจได้ทันที พอหยุดได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตางพระพุทธเจ้ามาทันทีแต่จะไม่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์พุทธมันจะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกตนเองว่าอรหันต์สาวกอรหันต์สาวกเป็นพระอรหันต์ในฐานะของสาวกสาวกก็คือผู้ศึกษาผู้ร่ําเรียนนี่คำว่าสาวกก็คือผู้ฟังได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา ส่วนพระพุทธเจ้านี้เป็นพระอาหารหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดทะลุด้วยด้วยตนเองโดยชอบคือไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์อย่างถาวรได้พระพุทธเจ้าเลยต้องสอนพระองค์เองด้วยการศึกษาด้วยการด้วยการค้นหาด้วยการปฏิบัติลองผิดลองถูกตนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาทางระหว่างสงสองทางแห่งที่สุดตรง คือทางที่ใช้ความสุขทางกายดับความทุกข์ทางใจไม่ได้าทางที่ใช้ความทุกข์ทางร่างกายมาดับความทุกข์ทางใจก็ไม่ได้สงคนพบทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทา ม, มีมากเป็นองแปดรือ่ย่อดลงมา ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะสั่งสอนใครก็ตามใ ห, ใ ห, ให้ให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ ไม่ช้าก็เร็วก็บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยเพียงแต่ระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถผลิตพระอรหันต์สาวกขึ้นมาได้อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปคือในวันเพ็ญเดือนเจ็ดในวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือนหลังจากที่ได้แสดงธรรมในวันเพ็ญเดือนแปด ก็มีพระอาหาันตสาวกหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วได้ไปไปเผยแผ่ธรรมตามสถานที่ต่างๆได้หวนกลับเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันวิสาในวันมาค้าบูชาซึ่งเป็นวันที่ศาสนาที่มีอยู่ก่อนนั้นเขาใช้เป็นวันที่จะมาบูชาพระเจ้าของเขา พ, พาระพระอน า, ตาคตกทั้งหลายท่านก็เลยใช้วันนั้นมาเป็นวันที่มาบูชาพระคุณของพระพทุทธเจ้าด้วยการมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเพียงแต่รู้ว่าเป็นวันที่จะต้องมารวมตัวกันก็เลยมีอย่างน้อยพระอนาคตกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมารวมตัวกันนี่แหละคือวิธีการ รักษาพระพุทธศาสนาวิธีที่จะทําให้พระาศาสนาจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อย mm. ขึ้นอยู่ที่การทําหน้าที่ของชาวพุทธเราอย่างถูกต้องแม่นยำก็ mm. คือขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาพระธรรมคําสอนก่อนให้รู้ว่าพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไร mm. ต้องรู้ต้องเรียนรู้จกักรู้รู้มรรคแปดถ้าใครก็ถามว่าเราต้องปฏิบัติอะไรต้องบอกมรรคแปด ตั้งแปดถ้าย่อลงมาคืออะไรก็ศีลสมมาทิปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัรมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากทุกทางใจเกิดจากความอยากเกิดจากการมาทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาแล้วก็ทุกเกิดจากการกระทำบาปเวลาทําบาปแล้วใจจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากหยุดการการะทํำบาป ก็มาที่ข้อที่สองสัมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องคิดอย่างไรก็คิดไม่ทำบาปคิดละบาคิดชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คิดกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือปัญญาองค์ปัญญาถ้าใครก็ถามว่าปัญญาในพพุทธศาสนามีอะไรบ้างก็มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นอริยาาสัจสีเห็นไตรลักษณ์แล้วคิดอะไรที่ถูกต้องก็คิดละบาคิดสร้างบุญสร้างกุศล คิดทำระจิตใจให้สะอาดลอยสุดแล้วการที่เราต้องรักษาศีลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าการทำบาปมันจะทำให้เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาซึ่งขัดกับเจตนาเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราต้องการดับความทุกข์ทุกช่องทางไม่ว่าจะมาทางทางทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจทางใจก็หยุดความอยากต่างๆทางวาจาก็หยุดพูดคำทาที่เป็นเท็จเพราะเป็นการกระทบาบาป ทางกายก็ไม่ทําบาปด้วยการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณี น, mm. น, นี่ก็คือสัมมากรรมงโตสัมมาวาจาอาชีพก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อน mm. ไม่แต่ไ ม, ไม่ไม่ทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช mm. ่นอ า, อาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าบูฆ่าปลาเป็นต้น mm. อันนี้อาชีพไม่ถูกต้องจะนําไปสู่ความทุกข์ใจต่อไปได้ mm. เอ้วส่วนสมาธิก็มีสามองค์ด้วยกันสามาวายามโอความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องคือเพียรทําอะไรก็เพียรเจริญสติเพียรนั่งสมาธินี่ฝึกสตินั่งสมาธิฝึกสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิใจไม่สงบถ้าใจไม่สงบใจจะวางเฉยไม่ได้จะหยุดความอยากไม่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่ารู้ด้วยปัญญาว่าความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจก็จะไม่สามารถหยุดนันได้ต้องสร้างสมาตั้งสร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดได้วนั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบเข้าสมาธิไปพอจิตเข้าสมาธิจิตก็จะเป็นกลางจิตก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาจิตก็จะเป็นจิตที่อิ่มไม่หิวโหยพอพิจารณาด้วยปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาว่า ความทุกข์ใจเป็นตัวมาสร้างความหิวโหยให้กับใจมาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็หยุดมันด้วยปัญญาด้วยการเห็นเห็นตายรักในสิ่งที่อยากได้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะศึกษาควรจะรู้กันถ้าเป็นชาวพุทธนี้ถ้าไม่รู้จักตายรักไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จักมรรคแปดหรือใจกขาศีนสมาธิปัญญาสแสดงว่ายังไม่เป็นชาวพุทธที่ ท, ที่แท้จริงถึงแม้จะรู้แล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เมื่อรู้แล้วก็ต้องต้องนําเอาสิ่งที่เราศึกษาไปปฏิบัติเวลาเราศึกษาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราตอนนี้ไม่มีคืออะไรก็คือเราไม่มีมรรคกันเราไม่มีศีลสมาธิปัญญากันศีลเราก็ยังบกพร่องอยู่บางทีก็โกหกบ้างบางทีก็กินเหล้าบ้างบางทีก็ตบยุงบ้างบางทีก็ละ บางทีก็ประพฤติผิดประเพณีบ้างบางทีก็ลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างนี่แสดงว่าเรายังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์เราต้องสร้างศีลขึ้นมาให้บริสุทธิ์ต้องเบื้องต้นให้ถือศีลห้าให้ได้ก่อนฆ่าสัตว์ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีละเว้นจากการโกหกหลอกลวงละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาต่างๆ เราต้องทำข้อห้าข้อนี้ให้ได้ก่อนในขั้นของศีลเมื่อได้แล้วขั้นต่อไปเวลาเราจะไปภาวนาไปซักพอกจิตใจไปกำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั้นเราก็ต้องเพิ่มศีลเป็นศีลแปด<ม>เพราะว่าเราจะต้องให้เอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มาให้กับการเจริญสติมาให้กับการนั่งสมาธิแทนถ้าเราไม่ถือศีลแปดนี้ศีลห้ามไม่ห้ามอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ได้อยากจะไปกินกี่ครั้งกี่รอบก็ได้วันหนึ่งจะกินห้ารอบหกรอบก็กินได้อยากจะไปร่วมดับนอนกับแฟนก็ไปได้อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามอะไรต่างๆก็ทำได้อยากจะนอนบนฟูกหนาๆเตียงสาราใหญ่ๆก็ทาได้ แต่กิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมทางกามซึ่งเป็นการดับความทุกข์ทางใจแบบชั่วคราวเท่าน<ช>ั้นเองความสุขทางกายจะดับความทุกข์ทางใจได้ชั่วคราวจะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรถ้าอยากจะดับความทุกข์ทางใจอย่างถาวรก็ต้องหยุดการใช้ความสุขทางกายด้วยการมาถือศีลแปดนี่แล้วจะได้มีเวลามา กากการมาเจริญมรรคคือสติและสมาธินั่นเอง <c oughs> ถ้าไม่ถือศีลแปดมันก็จะถูกความอยากดึงให้ไปเสพกามอยู่สุขความสุขทางร่างกายอยู่เรื่อยๆดึงไปกินอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้อยากจะดูหนังฟังเพลงก็ทำได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนกี่ครั้งกี่รอบก็ได้ <c oughs> อยากจะนอนกี่ชั่วโมงก็ได้ ถ้าเวลาให้กับการไปเสพการแล้วมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาสร้างมรรคข้อที่สองมรรคข้อที่หนึ่งคือศีลศีลห้ารักษาศีลห้าได้แต่ถ้าไม่รักษาศีลแปดนี้จะไม่มีเวลามาให้มามาสร้างมาสร้างศีลมาสร้างมรรคข้อที่สองคือคือไตสิกขาข้อที่สองก็คือสมาธิได้การการจะเจริญ การจะมีสมาธิมีการอุเบกขาเข้าฌานด้านนี้จำเป็นจะต้องมีสติต้องฝึกสติทั้งวันเพราะใจคิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนดับนี้ถ้าไม่มีสติคอยยับยั้งมันนี่มันจะคิดไปเรื่อยๆคิ ด, ดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้ต่อถ้านเปรียบเทียบความคิดเหมือนกับลิงที่มันห้อยโหนตามกิ่งไม้ต่างๆมันจะโหน อ, อยู่กิ่งนี้แล้วเดี๋ย ว, ยวมันก็ไปโหนเดี๋ยวมันก็ไปพาดกิ่งนั้นต่อไปแล้วก็ไปพาดกิ่งนั้นพลาดไปเรื่อยๆ มันใจไม่อยู่นิ่งอยู่ไม่ไม่อยู่เฉยใจล้วก็เป็นเหมือนลิงดีๆนี่มันชอบคิดคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาคิดก่อนแล้วคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วคิดเรื่องอยากแล้วอยากจะดื่มอยากจะกินอะไรขึ้นมาทันทีแล้วก็ไปทำตามกิจตามทำตามความอยากเพราะไม่มีศีลแต่ศีลแไม่ห้ามอยากจะกินก็ได้อยากจะดูอะไรก็ได้อยากจะฟังอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปทาบาปฉะนั้นอย่าไปฆ่าสัต ตัดชีวิตอย่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปประพฤติผิดประเพณีอย่าไปโกหกหลอกลวงอย่าไปดื่มสุรายาห ม, มาวย์แต่นอกเหนืนอนจากศินห้าแล้วสามารถทําได้หมดแต่พอมาถือสินแปดนี้มันจะถูกกาจัดการกระทําให้ให้น้อยลงไปให้เหลือน้อยลงไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลาพอเราไม่เสพกามเราไม่ใช้ความสุขทางกายมาดับความทุกข์ทางใจได้แล้วเราก็จะมีเวลาตั้งแต่ตื่นจนจนหลับ มาให้กับการเจริญสติมาให้กับการนั่งสมาธิได้พอเรามีการเจริญสติคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาการเจริญสติควบคุมความคิดต้องทําอย่างไรก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์เป็นเครื่องมืออารมณ์ก็คือเครื่องมือหยุดความคิดต่างๆเราต้องนึกถึงอารมณ์เหล่านี้เราถึงจะหยุดความคิดได้เช่นเรานึกถึงคําพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานเป็นพุทธานุสติ กรรมาฐานมีหลายหลายอารมณ์ด้วยกันแต่อารมณ์ที่ใช้ได้ทั่วทั่วไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับก็คือพุโทโธพุโทโธนี้<ม>ถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจท่องพุโทโธไปเราจะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้เพราะมันจะคิดสองเรื่องทีเดียวพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ได้ถ้าคิดถึงพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นไม่ได้ถ้าคิดถึงคนนั้นก็จะไม่ได้คิดอยู่กับพุโทโธ แต่ใหม่ๆมันจะแบ่งไปกลับไปกลับมาพุโทโธคําแล้วมันก็ไปคิดถึงคนนั้นคํานึงแล้วก็กลับมาหาพุโทโธอีกคําใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับพุโทโธได้ไม่นานอยู่ได้แค่สองสามวินาทีก็ไปและหายไปแล้วแล้พอเริ่มต้นพุโทโธพุโทโธได้สักปั๊บเดียวอ่าไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็คิดยาวไปเลยบางทีคิดเป็นชั่วโมงเลยก็มีบางคนตั้งวันนี้ตั้งใจจะพุโทโธนะแต่ที่ไหนได้ พุทโธได้ไม่กี่วินาทีหายไปแล้วพุทโธใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอย่างนี้ก็ต้องอดทนต้องต้องใช้ความพยายามพอได้สติกลับมาเขารู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้พุทโธนะเรากําลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ดึงมันกลับมาหาที่พุทโธไปเรื่อยๆรืเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นการชักกระเยอะกันดึงจิตไปทางความอยากก็จะดึงขิดไปตามความอยากพุทโธก็จะดึงจิตให้เข้ามา ให้อยู่ในความสงบเน้นต้องต้องดึงกันไปดึงกันมาก่อ น, ใ, นใหม่ๆนี้จะแพ้เพราะเขาเป็นแชมป์โลกกิเลสความอยากเป็นแชมป์โลกมันจะดึงใจให้ไปคิดถึงความอยากต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่เราเป็นผู้ที่มาท้าแชมป์เราก็ต้องยอมต้องใช้ความอดทนยอมแพ้เขาไปก่อนเพราะกําลังเรายังสู้เขาไม่ได้แต่เราก็อาศัยการต่อสู้กับเขาสร้างกําลังของเราให้มีมากขึ้นพอเราพยายามฝึกพุโทโธไป เรื่อยๆพอเผลอก็กลับพอเผลอพอรู้ว่าเผลอก็กลับมาหาพุทโธพยายามทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปพุทโธก็จะมีมากขึ้นในใจเราพอมีพุทโธมากขึ้นความคิดต่างๆก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปพอเวลามานั่งสมาธิก็จะทําให้นั่งแล้วสงบได้ง่ายนั่งสมาธิก็ใช้พุทโธเหมือนกันไม่ต้องใช้อย่างอื่นไม่ต้องใช้ลมคู่กับพุทโธเอาพุทโธอย่างเดียวสะดวกกว่าเพราะเราสามารถ เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความเร็วช้าของพุทธโธได้บางทีจิตมันดือ้อจิตมันอยากจะดึงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าพุทธโธช้าชามันจะดึงไม่อยู่ก็ จ, จะต้องพุทธโธให้เร็วขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราไปผูกไว้กับลมหายใจนี้เราเล่นความเร็วของพุทธโธไม่ได้พุทธโธถ้าไปผูกไว้กับลมมันก็ต้องไปกับลมลมเข้ากับพุทลมออกก็โธแต่ถ้าเราเห็นว่าพุทเข้าโธออกแล้วใจยังวัดไปคิดเรงนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็เปลี่ยนเป็นพุทโธอย่างเดียวเลยดีกว่า พุทโธให้มันถี่ขึ้นให้มันเร็วขึ้นช่วงที่ใจมันชอบคิดมากๆเราก็ต้องใช้พุโทโธให้เร็วขึ้นแต่พอความคิดมันเบาลงมันช้าลงมันน้อยลงเราก็พุโทโธเราก็ช้าลงได้แล้วถ้าเวลามันไม่คิดเราก็หยุดพุดโทโธได้เป็นพักๆไปนี่คือการใช้สติใช้กรรมฐานคือพุโทโธเป็นอารมณ์ในการเจริญสติในการ ใช้สติเพื่อหยุดความคิดต่างๆต้องมีกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานความจริงอารมณ์กรรมฐานนีรรม่มีมากมายสี่สิบชนิดด้วยกันสี่สิบอารมณ์แต่เวลาปฏิบัติจริงๆเราใช้เราใช้อย่างเดียวเราต้องเลือกใช้อย่างเดียวไม่ใช่ว่าเหมือนกับเวลาเราขับรถนี่ต่อให้เรามีรถสี่สิบคันเวลาเราจะใช้รถเราก็ใช้ได้ทีละคนันเวลาเราใช้พุทโธเวลาใช้กรรมฐานก็ต้องใช้กรรมฐานอันใดอันหนึ่งเท่านั้น วิธีสำหรับผู้เริ่มต้นที่ง่ายที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้คําบริกรรมพุโทโธลองลงมาก็คือการใช้การเฝ้าดูร่างกายว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ให้มีสติอยู่การทํางานของร่างกายอันนี้เพราะว่าเราตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาร่างกายเราก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาร่างกายก็จะลุกขึ้นมานั่งจากท่านอนก็ลุกขึ้นมานั่งจากท่านั่งก็ลุกขึ้นมายืนจากท่ายืนก็เดินไปเท่าห้องน้ําเดินไปทํา กิจต่างๆเวลาทํากิจต่างๆนี้เราก็สามารถใช้ร่างกายนี้เป็นที่เจริญสติแทนพุทโธได้คอยเฝ้าดูทุ ก, กิริยาบุตรของการเคลื่อนไหวทุกทุกย่างก้าวเวลาเดินก้าวเท้าซ้ายก็รู้กำลังก้าวเท้าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ต้องรู้ว่าก้าวเท้าขวาเวลาหยิบอะไรขึ้นมาด้วยมือเปิดประตูด้วยมือก็รู้ว่ากำลังเปิดประตูไม่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรนี้ต้องรู้อยู่ทุ ก, กิริยาบุตรของการเคลื่อนไหว อันนี้คือการใช้ร่างกายเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานเรียกว่ากายยคตาสติถ้าใช้พุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติเป็นกรรมฐานแทนกันได้เรือเราอาจจะสลับกันก็ได้บางช่วงาอาจจะใช้พุทโธบางช่วงเราจะใช้การเฝ้าดูร่างกายแทนก็ได้เราบางทีเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ ถ้าเราเหนืยกับการใช้พุทโธเราก็เปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกําลังเดินก็เดินไปกับร่างกายเท้ากําลังก้าวเท้าซ้ายก็ลู้วําลังก้าวเท้าซ้ายกําลังก้าวเท้าขวาก็ลู้ว่าก้าวท้าขวาแต่ก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยมองว่าเรากำลังเดินไปชนอะไรหรือเปล่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเหยียบหรือเปล่ามีอะไรให้เราเหยียบที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราหรือเปล่า ที่าจจะมีงูอาจจะมีมะแมลงสัตว์อะไรต่างๆหรือมีสัตว์ร้ายบางชนิดเราก็ต้องรู้จกกักหลบรู้จักหลีกในขณะที่เราเดินทําร่างกายเราเดินไปไหนมาไหนหรือเวลาเดินจงกรมก็แบบเดียวกันก็ใช้สติเจริญอยู่กับการดูเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะใช้คําบราลรคำพุทโธไปแทนการดูเท้าก็ได้เดินไปก็พุทโธพุทโธไปรกรรมฐ า, านสององสองอย่างนี้เป็น กรรมฐานที่เราสามารถใช้สลับกันได้ในช่วงที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการทำอะไรต่างๆแต่พอเวลาเรามานั่งสมาธินี่เราต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ใช้พุโทโธไปถ้าเราใช้ร่างกายในขณะที่เราดูในขณะที่ร่างกายมีการทำอะไรต่างๆมีการเคลื่อนไหวต่างๆล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการดูใช้ลมหายใจก็เป็นการดูร่างกายเหมือนกันเพราะลมก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เข้าออก ที่เข้าออกจากร่างกายไปแล้วก็ดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวหรือหายใจสั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีของการใช้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกใจให้เข้าสู่ความสงบวิธีที่จะใช้ลมหายใจผูกใจให้เข้าสู่ความสงบก็เพียงแต่ให้รู้เฉยๆรู้ตามความจริง รู้ว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าหรือว่าลมกําลังออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่ที่จุดที่สัมผัสคือที่ปลายจมูกเท่านั้นหรือเหนือบริเวณที่ปากขึ้นมาถ้ายังไม่สามารถดูลมได้เพราะสติเรายังมีกําลังน้อยก็ใช้พุโทโธแทนไปใช้พุโทโธก็ไม่ต้องดูลมท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจนี่นี่คือตอนที่นั่งสมาธิเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน บางทีนั่งพุทโธก็ยังเอาไม่อยู่เพราะใจยังฟุ้งอยู่เพราะเราไม่ได้ฝึกสติมามากพอเราจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ในขณะที่เราอยู่ในท่านั่งสมาธิสวดมนต์ไปภายในใจเหมือนใช้พุทโธแต่เป็นพุทโธ ท, ที่ยาวหน่อยคือสวดบทอ e ิต oh ิปิโสไปเพราะใจมันรู้สึกว่าพุทโธมันสั้นแล้วมันเบื่อได้ก็เลยใช้บทสวดอ e ิติปิโสไปก็ได้สวดอ e ิต oh, ิปิโสภะกวาอัหังสมาสวดไปภายในใจ สวดได้รอบหนึ่งแล้วเรายัางไม่นิ่งพอก็สวดอีกรอบหนึ่งสวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจิตเริ่มนิ่งแล้วเริ่มสามารถดูลมได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อไปก็ได้ แล้วถ้าดูวมได้แล้วก็อย่าไปเปลี่ยนพยายามให้เกาะติดอยู่กับลมไปเรื่อยๆลมก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็อาจจะไม่สามารถรับสั ม, สมผัสกับลมได้ไม่รู้ว่าลมหายไปไหนก็ไม่ต้องไปควานหาลมให้อยู่ที่เดิมอยู่จุดที่เราเข้าดูลมอยู่ที่ปลายจมูกนนะอยู่ที่จุดเดิมเพียงแต่ทำความรู้ทความเข้าใจว่าตอนนี้ลมละเอียดจนกระทั่งไม่สามารถรับรู้ได้แล้วว่าลมอยู่ที่ตรงไหน ไม่ต้องตไม่ต้องตอื่นตกใจอย่าไปคิดว่าไม่ไม่ไม่ีลมไม่มีลมหายใจแล้วจะตายไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่แต่มันละเอียดเราไม่สามารถที่จะไปจับมันได้แค่จับอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนเดิมเท่านั้นเองเพราะตอนนั้นจิตมันจะใกล้เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ดูไม่ไม่ไปความวิ่งหาลมให้รู้เฉยๆเหมือนตอนที่เราดูตั้งแต่ต้นจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้ในระยะเวลาอันไม่นาน พอจิตรวมบักจิตก็เหมือนตกลงมาจากที่สูงรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบายใจจิตลรก็จะว่างว่างจากลมว่างจากร่างกายเหลือแต่ผู้รู้สักต่ว่ารู้เท่านั้นมีแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหลือก็ความสุขทั้งปวงนี่แหละคือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตเข้าสู่อัปปนาณุทันติกะสมาธิให้ได้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ แรกๆนี้จะเข้าได้แค่คณิกะสมาธิก็จิตจะรวมลงได้ชั่วหนึ่งขณะเพราะกาลังของสติยังมีไม่มากพอที่จะให้อยู่ให้อยู่ในสมาธิได้นานเราก็เรียกว่าคณิกะสมาธิพอจิตสงบปั๊บแล้วก็ถอยออกมา ท, าทันทีเหมือนกับเหมือนกับฟ้าแลบหรือเหมือนกับดินเหมือนกับงูแลบดินความสงบแบบนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่มันเป็นความสงบที่ประทับใจมาก เป็นความสงบที่จะทำให้ตื่นตาตื่นใจมีความศรัทธานในการปฏิบัติร้อยเปอร์เ็นพอรู้แล้วว่าการปฏิบัติแล้วจะได้อะไรแต่ตอนใหม่ๆนี้ได้เพียงเล็กน้อยก่อนแต่รู้แล้วว่าถ้าไปเจริญสติต่อไปให้มากขึ้นให้มีสติมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเวลามานั่งสมาธินี้จิตจะนั่งได้นานขึ้นจะสงบได้นานขึ้นต่อไปพอสติมากขึ้นมากขึ้นเวลาเข้าสมาธิก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้น และพอสงบก็จะนิ่งได้นานขึ้นพอนงได้นานเราก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิขั้นสมาธินี้เราต้องฝึกอยู่ไปเรื่อยๆก่อนให้มันชำนานก่อนยังไม่ต้องไปท่าไปขั้นปัญญาบางคนเข้าใจผิดพอจิตสงบแล้วให้พิจารณาทางปัญญาอันนี้ท่านหมายถึงว่าจิตสงบชำนานเป็นคามสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาจิตสงบทั้งในในขณะที่อยู่ในสมาธิและอยู่นอกสมาธิแล้ว พอออกจากสมาธิมาก็ใช้ไปทางปัญญาได้แต่ไม่ไม่ให้เจริญปัญญาในขณะที่นั่งสมาธิเพราะเพราะว่าถ้าไปเจริญปัญญามันก็จะไปทำลายความสงบทันทีเพราะปัญญาจะต้องใช้ความคิดพอเริ่มคิดขึ้นมาใจก็จะหายใจก็จะไม่สงบใจก็จะถอนออกจากสมาธิมาในเบื้องต้นนี้เราต้องการฝึกสมาธิและต้องการให้อยู่ในสมาธินา น, านๆเพราะสมาธิเป็นเหมือนที่ชาร์จแบตเตอรี่ เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เราไม่ได้ชาร์จแบตพอเสียบปลั๊กปั๊บแล้วเราก็ถอดปลั๊กออกทันทีเสียบปลั๊กแล้วก็ต้องแช่ให้มันอยู่ในนั้นนานๆจนกว่นาจนกว่าเครื่องจะบอกว่าเต็มร้อยแล้ว<ม>ถึงค่อยออกจากสมาธิออกดึงปลั๊กออกจากการชาร์จได้ชั้นใดการนั่งสมาธิก็นั่งๆไปจนกระทั่งมันชาร์จได้เต็มร้อยก่อนได้สมาธิได้ความสุขยาวเต็มร้อยก่อนมันเ ร, เราจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มร้อยอ ย, อยังไง เอถึงเวลาจิตมันก็อยากจะออกไปเองมันอิ่มพอมันอิ่มจากสมาธิแล้วมันก็อยากจะออกมาตอนนั้นเราก็เลือกนั่งสมาธิแล้วตอนนั้นถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญทางสติก็อยากพึ่งไปเจริญทางปัญญาจะดีกว่ามาฝึกสติต่อไปก่อนออกมาก็พุทโธต่อไปเลิกใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ต่อไปก่อนฝึกสติก็ฝึกสมาธิให้มันชนานาญให้มัน ให้มันเก่งก่อนสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและเวลาเข้าก็อยู่ได้นานแล้วเวลาออกมาจากสมาธิก็มีสติคอยรับคองรักษาใจไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงเรียกว่าเราผ่านเราพร้อมที่จะไปทางขั้นปัญญาแนละ้วแต่ถ้าเรายังสติยังไม่ยังไม่เก่งยังไม่ยังไม่ชำนาญออกจากสมาธิมาก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสติควบคุมใจเราอย่าเพิ่งไปทางปัญญา เรามาทางสติก่อนออกจากสมาธิก็จะเรืงสติเหมือนตอนก่อนที่เราเข้าสมาธิพุโทโธพุโทโธไปหรือเข้าดูร่างกายไปจัง ก, กายเราจะสามารถมีสติตลอดเวลาทั้งขณะที่เราก่อนที่นั่งสมาธิขณะที่เรานั่งสมาธิและหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาก็มีกมีสติ สติมันกลายเป็นสติอัตโนมัติไปละมันเป็นสติที่เราไม่ต้องบังคับลวถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะไปทางปัญญาต่อไปได้เพราะถ้าเราทำแต่สติทาแต่สมาธิเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ขั้นสมาธิไม่สามารถไปทางขั้นปัญญาได้นั่นแต่เบื้องต้นเราต้องติดขั้นสมาธิก่อนต้องชานาญกับขั้นสมาธิเข้าออกสมาธิได้ง่ายได้เร็วได้นานอยู่ได้นานก่อน แล้วเอาอจากสมาธิมาก็มีสติควบคุมใจตลอดเวลาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราค่อยไปถึงขั้นปัญญาต่อไปขั้นปัญญาก็ไปศึกษาอริยสัจ ส, สีศึกษาใต้ลักษณ์ให้เห็นว่าอริยสัจ ส, สี่อยู่ในใจของเรานี่เองเวลาใจเกิดความทุกข์ก็กลับเข้ามาดูที่ใจก็จะเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราแล้วถ้าอยากจะทําให้ใจหายจากความอยากก็มองในสิ่งที่เราอยากว่าเป็นใต้ลักษณ์อยากได้เงินได้ทองมันก็เป็นใต้ลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป เวลาได้ก็มีความสุขเวลามันหมดก็กลายเป็นความทุกข์อยู่ดีดังนั้นไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปหมดไปเพราอเสียไปหมดไปความสุขที่ได้ก็หมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่พอเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะได้อยู่ความอยากได้อั น, นี้คือขั้นขั้นปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิและก่อนจะได้สมาธิก็ต้องได้ศีลแปดก่อนฝึกสตกิต้องถือศีลแปดให้ได้จะได้มีเวลาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิ เมื่อฝึกสตินั่งสมาธิจนชำนาญมีสติตลอดเวลาแล้วค่อยไปทางปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสีแล้วก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้จิตก็จะบรรลุธรรมได้บรรลุมัรคสี่ผลสี่นิพพานอย่างได้อย่างแน่นอนนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่เราต้องทําในเบื้องต้นก่อนศึกษาก่อนศึกษาแล้วปฏิบัติปฏิบัติจนบรรลุแล้ว ร, รู้รู้เห็นทำแท้ทำจริงนะไม่ไม่หลงนะ ถ้ายังไม่ปฏิบัตินี้ทำยังไม่เป็นของแท้เพราะเป็นธรรมที่เราต้องใช้จินตนาการนึกคิดไปเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โสดาบันต้องเป็นอย่างนั้นสกิดาคาต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความเป็นจินตนาการต้องปฏิบัติมรักสี่ผลสี่ก่อนให้มีมรักแล้วทำมรักนี้ทาให้จิตเป็นโสดาบันขึ้นมาเป็นสกิดาคาขึ้นมาเป็นอณาอณาคาเป็นผ้าหลานขึ้นมา พอจิตเป็นพระแล้วนทีนี้ก็พร้อมนะ่ะที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปอย่างถูกตั้งแม่นยําถ้ายังไม่ได้เป็นถึงขังน้นนี้แล้วอย่าไปสอนจะดีกว่าหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาการปฏิบัติของเราเพราะงานของเรายังไม่เสร็จสิ้นสองเวลาไปสอนก็สอนแบบไม่ถูกไม่ครบถ้วนบริบูรณ์อาจจะทําให้ผู้อื่นเขาหลงทางได้ดังั้นอย่าเพิ่งสอนใครเป็นกว่าเราจะสอนตัวเองเราได้ครบก่อนเราสามารถกํจาจัดความทุกข์ของเราให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้ก่อน แล้วค่อยไปสอนผู้อือ่นต่อไปแล้วผู้อื่นเขาจะได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วนําไป ป, ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเขาจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่เขาบรรลุธรรมเขาก็จะได้เป็นผู้ที่มาช่วยสอนทำมาให้แก่ผู้อื่นต่อไปเพราะพระศาสนาเราก็จะอยู่ยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆถ้ามีถ้าเราชาวพุทธเราทําหน้าที่ทั้งสี่ข้อนี้ตามลําดับอย่างครบถ้วนบริบูรณ์คือหนึ่งศึกษาคําสอนสองปฏิบัติตามคําสอนอย่าง ยังถูกต้องแม่นยำสุปฏิปันโนปฏิบัติไปจนบรรลุทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก่อนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนแล้วค่อยเอาแล้วค่อยไปสอนผู้นิคตออีก อ, อ, อีกทอดหนึ่งจะเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำที่จะทำให้ผู้นี่ศึกษาได้หลุดพ้นตามได้อย่างแน่นอนถ้ามีการปฏิบัติอย่างนี้ศาสนาก็จะอยู่ต่อไปในโลกไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด อันนี้แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเบื้องต้นให้เราทําเพื่อประโยชน์ตักับตัวเราก่อนทําตัวเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้าเรามีเวลาว่างเราก็เอาไปสอนผู้อื่นต่อไปผู้จะได้เรียนรู้ได้หลุดพ้นตามเราใต้ต่อไปอันนี้คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ ภราสุยธาสัพีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจจังวุธาปจายินุจตารธรรมวาทาติอายุวันโอสุขัง ฮัาลาอ่ช่วงต่อไปนี้ <Yeah. S 1> ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะตอบคำถามให้เพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้ามาถามจะไม่ได้คำตอบถา้าอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเป็นคำถามของเราก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรยนแพล้าจานค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานาคุตจากทางเฟซบุ๊กสองร้อยแปดสิบเก้าท่าน Youtube พระอาจารย์สุชาติ350 Youtube ดอกตอรวี48วิทยุออนไลน์14บสี่ครับเฮาสห้านาคุตหนึ่ร้อกสิบเริมทั้งหมด866ท่านค่ะนามสกุลท่านจันทร์ I have two questions. One is uh, first one is relating to meditation and second one is relating to merit. So my first question is: for meditation, I know that I need to uh, practice determination more when it comes to uh, meditation pain, and just. Develop more equanimity towards it. I also notice when I sit in some more comfortable places, like a chair or couch, uh, because it's more comfortable, I can get a stronger samadhi and can meditate for longer. So I'm wondering, is there any merit in also m e d i t a t e in that sort of condition or focus on just overcoming my um, aversion towards meditation? Paying first. So well, actually, your meditation is successful or not depends on your mindfulness more than the where you sit. Yeah. If you have a comfortable seat, you can fall asleep or s o If you don't have mindfulness, but if you sit on an uncomfortable chair, the discomfort might force you to have more mindfulness. So generally, we tend to sit in a position that is not too comfortable because it will cause t h lack of mindfulness and uh, easy for the mind to go to sleep. So the important thing is to have mindfulness. If you have mindfulness, then it doesn't matter whether you sit comfortably or in discomfort. You can still success succeed in your meditation practice. So you have to practice a lot mindfulness before you meditate. I recommend all day long o n the time you go to sleep. From the time you get up to the time you go to sleep, maintain mindfulness all the time. Either using the mantra Bhuto Bhuto, or focus on what your body is doing at the moment. Then when you meditate, your mind will be easy to calm down. Thank you, Thajan. Uh, second question relating to merit. Firstly, I'd like to just um, rejoice in all the generous act that I see in Thailand with the the community offering to all the monastics. It's my first time in Thailand, so really rejoicing in all that and see all that. And when it comes to making merit, uh, can you please advise on what's the right mind and attitude in making offering and making merit? There are two things you have to to to see or to to look at: is yourself and the person you give. Look at yourself: is how much can you give, how much can you afford to give. Look at the person you give: whether they need the things you you give them or not. So this is basically what you should look at. If you want to give some somebody, you have to give to. Somebody who can use what you give them. If you give them and they cannot use, then it's not useful for them. And if you don't have enough to give, you don't have much to give. And you want to give more, you can hurt yourself because you will not have enough money left to, for you to spend on some other thing. So you have to see this, these two things: this yourself and the people you give. So you want to make it uh, as beneficial as possible, both for yourself and both for the receiver. If the receiver wants food and you give them clothing, it's useless. If they need medicine and you give them clothing, it's useless. So you have to see what they need and give them accordingly. And you have to look at how much can you afford to give. If you give too much, you can hurt yourself. If you give too little, then you make very small. You get very small benefit. If you want big benefit, you have to give more. But you have to also look at yourself. Whether can you? How much can you afford to give? Okay. Thank you, t a i j a n Can I please check? Besides that, in terms of um uh. More nuanced way of preparing the mind because in the past I've been advised to, for example, when I give, I know because I'm not my mind is not there yet, but uh, I I should r e c o g n i z e this um, the the cause condition the karmic condition the fact that I'm here I'm actually for example in front of you or in front of a recipient and then I take precept before giving I um. Arise the wholesome intention and wish for the giving action, and also I recognize the other person comes from the karmic causes and condition and a whole series of that mental preparation. I'm just wondering, is that all necessary, and what's your advice on that type of mental preparation? y e a v e to condense your question to, so I can get what you you're actually asking. I, I'm a little bit confused here. What do you want to know? I want to know: uh, Is there another, like, in addition to what you advise me, is there additional process in preparing the mind when it comes to actual offering, to clearing the mind and generating wholesome intention? Not all that's that? not important. Okay. The important is the, the act of giving, okay. and the, the, the benefit that the receiver get get from your giving. Once you do that, when you give to somebody who need the stuff, you you rejoice. You become happy. You know that you have done something good for them, but if you give them something that they don't need, then you don't feel rejoice because they don't use it anyway. But they might be able to give it to somebody else also. So when you give, you have to also forget that what you give is not is not yours anymore. The person who received the the the gift from you own own the gift, and they can do whatever they want with that gift. If you still cling to the gift that this is mine, and I want this person to use it, and if that person doesn't use it, then you can be disappointed and sad. Okay. Thank you so much, t a n c h a n Hi. What's your name? I forget. You have to hold the microphone. What's your Thank name? Thank you. My name is Marin. m a n Ni nickname, Pasatime m a l a ka. t h Thank you for uh, for being here, and I'm very happy to be here again. Uh, I have a question about. Uh, I recently lost a close relative, and I was wondering the correct way to dedicate. Dedicate merit like formally when I do it, how to do it correctly. Only way you can help the person who passed away is to do some charity, oh. and then dedicate the e benefit from the charity that you have to the person who died. Okay. So, is it enough to just think about this person and no, you have to give something like you have to donate money to the temple, uh -huh. and then you feel. You have a good feeling from that donation, then you can share this that good feeling for the person who passed away. Okay, I understand. Thank you. Um, and my second question is, um, samadhi is not so good right now, and it seems like I try to avoid the formal sitting down because maybe. I'm afraid to go then to go further. So I feel okay during the day. I try to be mindful and keep track of my mind during the day, and I feel feel okay. But then I I sit less because I think uh, I'm afraid or something. Do you yeah. have some advice for this? No, you shouldn't be afraid of sitting because sitting will give you benefit, no harm from sitting. Whatever you experience in meditation cannot hurt you, and if you have mindfulness, then not, nothing harmful can appear during meditation. So just sit and be mindful when you meditate, either with the breath that you watch or with the mantra Bhuto t Bhuto. Don't use both; just use one or the other. If you're watching the breath, just keep watching the breath at the tip of your nose, and don't have to force your breath to be short or long, to be subtle or coarse. Just watch the breath at the tip of the nose, and when the breath becomes subtle and you c a n no longer watch the breath, don't worry. Just say, just keep watching at the same point, okay. and then the mind will e gradually or eventually drop into calm. And when the mind becomes calm, everything is empty. It's like turning off the light in the room, and everything goes dark. But the darkness isn't darkness like you see in the dark. But it's i s empty of, of activity, of mental activity, and you will feel a sense of contentment, sense of peace and happiness. So, is it correct that it, in that state, the negative or hurtful things they don't They disappear They all, all the emotional bad things. Mm. disappear from the mind. Oh, okay. The mind becomes just peaceful and happy and empty. But not empty because it's hungry or something. Mm. Uh, empty with a contentment. Oh, okay. Full. Oh. Empty but full empty at the same time. <laughs> empty of things but full, full of contentment. Oh. Happy. Okay. Once you get there, you know you want to be there all the time. Mm. And you will become more inspired to do more sitting meditation. Mm. So don't worry about sitting. There's no harm in sitting meditation. Mm. The only benefit. Kidding. The only harm will appear if you don't have mindfulness. If you just sit and you start to imagine things, then your imagination can haunt you, mm. can scare you, and mm. can cause you harm. Can cause you to become crazy. Mm. It's your imagination. But if you have mindfulness to co control this imagination, then there will be nothing appearing when you when you meditate. Okay. Thank okay. you. Yes. So But you have to have a, a lot of mindfulness also before you meditate. Yes. You have to at least be able to slow down your thought, uh, reduce your thought, so s that when you meditate, you don't have this difficulty of q u i n e to contain your thought. s yeah. mm. Okay, thank you so much. Okay. Malay, Malay, <laughs> Malay means flowers, garden, garden. Question from YouTube, Priest Sushat, ka. แต่เด็กมาได้รับการสั่งสอนมาตลอดว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทถ้าอยากจะแก้ใช้ให้คําบริกรรมพุทโธในใจโดยไม่ต้องอิงกับลมหายใจต้องทําอย่างไรครับก็อย่าไปดูลมมีแคพุทโธทอย่างเดียวมีพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมพุทโธดูที่พุทโธอย่างเดียวว่าเราคิดถึงพุทโธอยู่หรือเปล่าพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนตอนนี้เราคิดอะไรเราก็ไม่ได้ไปดูลมใช่ไหมเราก็คิดไปพุทโธก็เป็นความคิดอย่างง ก็คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปดูลมพร้อมๆกันแต่ถ้าจะใช้ดูลมด้วยมันทําให้ใจนิ่งก็ไม่ไม่ห้ามนะแต่แต่ว่ามันยากกว่าบางคนเขายังถ้าไม่มีพุโทโธกับลมมันยังจิตมันยังหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เขาก็ใช้พุโทโธผูกไว้กับลมแต่ถ้าท่านจิตมันไม่หนีไปคิดแล้วอา จ, จะหยุดพุดโทโธหรือหยุดลมอย่างใดอย่างหนึ่งไปเอาอย่างเดียวคําถามจากทางอินบ็อกค่ะ <c oughs> ฝากถามตั้งแต่ <c oughs> ฝากถามตั้งแต่เมื่อวันที่ห้านะคะผมมีปัญหาขอ คำสั่งสอนจากพระอาจารย์ครับเมื่อก่อนผมนั่งสมาธิด้วยดูลมพร้อมกับบริกรรมพุทโธตอนนี้พยายามจะทำเพียงอย่างเดียวตามที่พระอาจารย์สอนแต่เมื่อดูลมในหัวจะสร้างเสียงลมหายใจไปพร้อมกับการหายใจไม่สามารถแยกเสียงที่คิดออกจากลมหายใจได้เมื่อลองพุทโธก็จะภาวนาดูลมไปด้วยไม่สามารถแยกออกจากกันได้สักทีผมต้องทาอย่างไรครับก็อย่าไปดูลมอย่าพุทโธสวดมนต์ไปก่อน แสดงวัสติเรายังมีกำลังน้อยไม่สามารถที่จะอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมได้อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนสวนดฤิธิพิโสไปสวดในขณะที่เรานั่งสมาธิน่ะนั่งหลับตาแล้วใช้บทสวดมนต์เปนารมแทนสวดไปหลายๆรอบหรือไม่ฉะนั้นบางคนก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมอย่างญาติโยมมาฟังธรรมนี้หนึ่งชั่วโมงนี้นั่งได้ว่ามีเสียงธรรมคอยกล่อมใจ ถ้าให้นั่งคนเดียวนี้มันไม่มีอะไรมากล่อมใจมันก็เลยนั่งไม่ได้นั่งทักพระ ก, ก็อยากจะลุกเหตนั้นต้องมีอะไรมาคอยกล่อมใจถ้าเราใช้พุทโธใช้ลมไม่ได้เราก็กลับมาที่การสวดมนต์ก่อนสวดไปภายในใจสวดบทอิติปิโสก็ได้สวดจบแรกแล้วก็ยังไม่ยังไม่นิ่งพอก็สวดครั้งที่สองสวดไปหลายๆรอบเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสามารถจะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมได้ จากท่านเดิมนะคะขอถามอีก2คําถามครับเขาเรีกการเจริญสติในชีวิตประจําวันต้องทําอย่างไรเช่นเวลาเดินเราเพียงแต่ดูร่างกายขยับให้ร่างกายจัดการตัวของมันเองหรือเราต้องเป็นผู้ควบคุมร่างกายกํากับร่างกายให้ขยับตามที่เราคิดเราต้องควบคุมเนถ้ามันไม่มีควบคุมมันจะทําอะไรได้ไหนเราต้องสั่งให้มันเดินสั่งให้มันยืนสั่งให้มันกินสั่งให้มันทําอะไรเพีแต่ว่าถ้าเราไม่มีสติสั่งเสร็จแล้วเราก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อ ไปมันเดินไปโดยที่เราไม่ไปดูมันเแล้วก็เดินไปชนคนนั้นเดินชนคนนี้อันนี้เรียกว่าเดินแบบไม่มีสติถ้าเดินแบบมีสติเราต้องคอยดูมันทุกระยะของการก้าวก้าวย่างหรือว่ากําลังเดินไปตรงไหนไปเหยียบอะไรหรือเปล่าไปชนใครหรือเปล่าด้วยพอพร้อมกันต้องดูภาพรวมด้วยภาพรวมของร่างกายค่ะอีกคําถามค่ะ ผมได้ยินบ่อยครั้งว่าใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆนี้ทําตอนไหนครับเราไม่ทําในระหว่างนั่งสมาธิใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสีต้องเข้าใจหลักอริยสัจสีเข้าใจหลักใจรักเวลาใจเครียดขึ้นมาก็พิจารณาว่าเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะกลัวความเจ็บหรือเปล่ากลั ว, จ, บบวจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่า ถ้ากลัวเป็นโงกมะเรงใจก็จะเครียดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาว่าเราไปห้ามมันได้หวป่าถ้ามันจะเป็นมันก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมเป็นถ้ายอมเป็นก็หายเครียดแต่ถ้าไม่ยอมเป็นก็แสดงว่ายังอยากไม่ยังอยากไม่เป็นอยู่ถ้ายอมเป็นก็แสดงว่าไม่อยากไม่ไม่มีความอยากไม่เป็นแล้วแต่นก็เป็นวะแค่นี้ก็จบใจก็หายเครียดได้นี่คือการใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็ใช้ไม่ได้ ปัญญานี้มันยากกับสติสติพุทโธคําเดียวถ้าเครียขึ้นมากับพุทโธพุทโธพุทโธให้ลืมเรื่องที่เราเครียดไปพอเราลืมเรื่องที่เครียดได้เราก็หายเครียดไปชั่วคราวพอเครียดอีกก็พุทโธไปอีกทำนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาศึกษาทางปัญญาต่อไปคําถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะคําถามค่อนข้างยาวจะขอสรุปให้กระชับนิดนึงค่ะ ได้ฟังอาจารย์แนะนำอย่า ก, กังวลเรื่องเวลาและให้ภาวนาพุโทโธวันนี้ก็ลองไม่กังวลเรื่องเวลาก็กำหนดรู้หนอไปเรื่อยๆจนถึงคือเขานั่งจนเขาชินว่าพอเวลาเขานั่งใกล้จะหมดเวลานะคะเขาจะมีอาการรู้สึกหาวขึ้นมาครั้งนี้ก็เป็นเช่นนั้นแต่เขาก็ปล่อยวางลงแล้วก็กำหนดกาหนดรู้ไปเรื่อยๆ อจนจิตนิ่งสงบลงความสงบแล้วพอเขาสงบลงเนี่ยเขาไม่อยากออกจากสมาธินะคะแล้วก็มีเขารู้สึกว่าคือไม่อยากให้มันหมดเวลามันเหมือนกับมันหายไปมีแต่ความสว่างจิตอยากนั่งแบบนี้นานๆไม่อยากออกเลยรู้สึกดีมากลมหายใจหายภาวนาหายแบบนี้เขาเรียกสมาธิไหมคะ ค่ะแล้วนั่งต่อไปแ็่ถ้าไม่อยากออกก็อยา่อยาไปออกเพราะไม่มีอะไรในเรื่องนี้ดีกว่าความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิหรือแม้จะต้องไปทํางานก็ช่างมันลา ง, งานไปทักวันก็ได้หยุดงานไปทั้งวันถ้าเราเข้าสมาธิได้นี่มันเป็นของยากมากถ้าเข้าได้ลราอย่าไปรีบเอออกให้มันอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะนานได้ถ้ามันอยากจะอยู่ไปทั้งวันก็ไปปล่อยมันอยู่ไปทั้งวันเลย ค่ะเขาถามถามต่อว่าที่เราพน า, าตามความเป็นจริงของอาการทุกอย่างเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไหมคะคือเราต้องเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายแล้วเปลี่ยนมันไม่ได้การอยากไปเปลี่ยนให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปเปลี่ยนมันยอมยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายไปเพราะมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มัน ขเขาถามต่อไปว่าสมถะคือการปล่อยทุกอย่างออกจิตเป็นหนึ่งเดียววิปัสสนากรรมฐานคือรู้กับความเป็นจริงของกายอารมณ์ปัจจุบันและพอเรานานก็จะเป็นสมถะเข้าใจถูกไหมคะพอปล่อยก็เป็นสมถะพราะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปพอปล่อยมันจิตที่วุ่นวายไปกับมันก็สงบลง คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะโสดาปฏิมครคคือผู้ที่ดำเนินตามมครค8แต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าเจ้าคะใช่กำลังทำงานอยู่เหมือนนักศึกษาปีหนึ่งปี2ปี3ปี4ยังไม่ได้รับปริญญาตรีน้องเรียนให้จบ4ปีก่อนแล้วพอสอบผ่านก็จะได้ปริญญาตรีโสดาบันก็เป็นเหมือนขั้นปริญญาตรี ต้องศึกษาขันห้าขันขันหคือร่างกายและใจเราว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราห้ามมันไม่ได้ความรู้สึกจะสุขจะทุกข์กจะไม่สุขไม่ทุกข์เราไปสั่งมันไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าปล่อยได้ก็ก็ได้ได้สโสดาปฏิผลเวลาพิจารณาก็เรียกสดาปฏิมา คำถามสักทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะขอพระอาจารย์แนะนำวิธีออกจากอุปจารสมาธิหรือนิมิตต่างๆเพื่อเข้าอัปปนาสมาธิเพื่อให้จิตมีกำลังกลับมาเจริญปัญญาด้วยครับออการเข้าอุปจารสมาธินี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายไม่มีคนส่วนใหญ่เข้าไม่ได้หรอกไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเข้าอุปจารสมาธิได้ก็ใช้สติดึงมันออกมาได้ให้กลับมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธ มมันกก็จะออาทาทีคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอพระอาจารย์เมตตาเล่าเรื่องราวการปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาหลวงตามหาบัวเพื่อเป็นต้นแบบต้นบูญการปฏิบัติให้ลูกๆด้วยครับ อ, อ๋อต้องไปอ่านประวัติดูนะมันเป็นวันยาวมีหนังสือไปดาวโหลดได้เรียกว่าเปิดใจเปิดธรรม ในพระสุชาติ .com สามารถที่จะไปดาวน์โหลดหนังสือได้อันนี้เอาเหลือคำถามสุดท้ายกันแล้วแต่ละคนหมดนะคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะชอบคิดถึงแต่ความตายเป็นนิสัยชอบเตรียมพร้อมเรื่องความตายถือเป็นการปฏิบัติธรรมได้ไหมคะได้เป็นมนานุสติเป็นการเตือนสติเตือนใจให้ปล่อยวางแล้วเวลาตายจริงๆจะได้ไม่ทุก ดีมากคนที่คิดถึงความตายได้แสดงว่ามีปัญญามีสมาธิมีกําลังที่จะสู้กับความกลัวได้คนบางคนนี้เพียงแต่คิดถึงคําว่าตายก็จะเป็นลมทันทีอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติพอที่จะพิจารณาความจริงได้ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาแต่ถ้าพิจารณาได้แล้วมันจะดีมันจะทําให้เราไม่ประมาทจะทำให้เราไม่หลงอยู่กับโลกนี้ไปที่ว่าจะไปอยู่กับโลกนี้ไปได้ตลอดแล้วเวลาเกิดความตายก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน